ตือกปดสิบสาทัศเนนะปะหาตับพทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอย่ากกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอย่ากกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิคตะ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจใจละหนึ่งวาระสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิ ซึ่งไม่ต้องประห e. ารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที um ่เป <met> ็นอพยกริตซึ่งไม <met ern phin Luna> <met> ่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากริตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย 3. เหตุุปัจัจมีก้าวาระอารมณปัจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจัยมีหนึ่งวาระและถึง อวิคตะปัจจัยมีกลาวาระย่อสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 4. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากติซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากติซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยเหตุปัจจัยย่อหเหตุปัจจัยมีเจดวาระอรมณะปัจจัยมี9้าวาระ อธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลเิกะหนึ่งกุศลเดกะแปดสิบสี่ภาวนายปหาตัพระทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัหก สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาจบายสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุปัจจัยมีปัจจัยละหนะึ่งวาระเจ็ด สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอริมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณ์ หนุสลตุกะ8ปดสิห้าทศเนนะปะหาตถาภะเฮตุกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเฮตุปัจจัย 8. สภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีหนึ่งวาระ อารามณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเก้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยย่อ เ um. <ahren> หตุป sal ัจจัยมีเก้าวาระละถึงอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารณาหนึ่งปุสลติกะแปสิบหภาวนายะปหาตภะเหตุกทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจยะเจตุคไน 10. สิบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยย่อเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึง ปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมากเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีก้าวาระอระมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ พึงขยายสหาชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิดาราหนึ่งอุชละติกะแปดสิบเจ็ดวิตตกะทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจวาระเป็นต้น เหตุปัจจัยและอารมณะปัจจัย 12. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งมีวิตก เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ13เหตุปัจจัยมีสามวาระอรามณะณปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหชาตวาระและถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระ14สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ<ท fout>่งม <suis> ีวิตกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีวิตกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตก โดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกโดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีวิตกโดยรมณปัจจัยมีสามวาระย่อ15เหตุปัจจัยมีสามวาระ อรามณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอเนนตระปัจจัยมีเจดวาระละถึงสหชาตตปัจจัยมีสามวาระอเญยมัญยปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปปาเนสยปัจจัยมีเก้าวาระอเศวณะปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหะระปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจใจมีสามวาระยอ่อพึงขายายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในอุสละเดกะอวิตกะบทเฮตุปัจจัยบหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเจดวาระย่อสหาช า, ะาะะตะวาระละถึงสัมำยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระส7สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตก โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิญญาคลตซึ่งไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอภิญญาคลตซึ่งไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยยอ่อ18เหตุปัจจัยมีสี่วาระอาริมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระและถึงสหชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญาปัจจัยมีสองวาระ นิสยาปจัยมีสิบวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจจาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาตเวนปัจจัยมีสามวาระกามะปจจัยมีสี่วาระวิปากะปจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระชานะปจจัยมีห้าวาระมคระปัจัยมีห้าวาระ สัมปยุตตปั จ, จัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระยอ่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตะดกกะหนึ่งกุศลตะดกกะ 88. สวิชาราทุกะหนึ่งปฏิจจวาระปฏิยจตุกนัย 19. เก สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยเหมือนกับปุสละถึกะและสวิตกะทุกะหนึ่งปุสละถึกะแปดสบเก้า สปีติภะทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิเจวาระเป็นต้นปัจยจตุกนัยยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอพยากริซึ่งมีปีติ กใช ส, สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดซึ่งมีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อยีสเอเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหาชาติวาระและถึงสัมยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจัวาระยี่สิสอง สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปีติโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปีติโดยเหตุปัจจัยย่อยี่สิบสาม เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระและถึงสมนันตะปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสัยปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนณะปัจจัยมีสามวาระกัรมปัจจัยมีห้าวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระมาหาระปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่ออปีติกะบทเหตุปัจจัยยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤิตซึ่งไม่มีปีติ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 สหชาตวาระและถึงสัมปยุตตวาระเมื่อกลับปฏิจจวาระยี่สิหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีปีติโดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อ ขึ้ขยะให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะหนึ่งกุศลตึกะเก้าสิบถึงเก้าสิบสองปีติสหกตะทุกกะเป็นต้นหนึ่งปฏิจจวาระปัฏิยจาตุกนัฏยิสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตรด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตรด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจและถึง อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคดดูเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคดดูเบิขาย่อ เจลตุกะเกสกลามาวจรทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจยะจตุปนัยเหตุปัจจัยี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งเป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกลามวจร เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิญากฤตซึ่งเป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งเป็นกรรมวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤตซึ่งเป็นกรรมวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นกรรมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยกฤิซึ่งเป็นกามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ย่อยีเก้หตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อสาชาตวาระและถึงสัมัยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ30สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกลามวจร เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งเป็นกลามวจรโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกลามวจรเป็นปัจจัแยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกลามวจรโดยเหตุปัจจัยมี <D uring sound> สา <D uring sound> e <Studios> มวาระสภาวธรรมที่เป็นอพยยากฤิซึ่งเป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอพยยากฤตซึ่งเป็นกลามวจรโดยเหตุปัจจัยย่อ เอเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อพึงขยายให้พิจาดาาเหมือนปัญหาวาระในอุสลดตึกะนักกามาวจระบทเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยส2สองสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกลามาวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็กเปนกุศลซึ่งไม่เป็นกลางมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกลางมวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตซึ่งไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอรามะนัปปัจใจมีสองวาร ะ, าร ะ, าระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ ย่อสหชาตวาระและถึงสัมำยุตตวาระเหมือนขปฏิจัวาระสาสสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกางมวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกางมวจรโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่เป็นกามวจรโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกลามวจรโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นกามวจรโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่เป็นกามวจร โดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งไม่เป็นกลามวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกลางอมวจรโดยอารมณปัจจัย 34. เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยมีสาวาระอนันตระปัจจัยมีสาวาระสมนันตระปัจจัยมีสาวาระสหชาตะปัจจัยมีสองวาระ อัญญามัญญะปัจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปานิสยปัจจมีสี่วาระอาเศวณปัจจัยมีสองวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพื่อขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลิกกะหนึ่ง อุสริกะ94้รูปาวจระทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจาระเป็นต้นปัจยะจตุขไนเหตุปัจจัยมสหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต ซึ่งเป็นรูปราวจรเกิดขึ้นพระเหตุปัจใจยอ่อเหตุปัจใจมีสองวาระละถึงวิปากะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสองวาระยอ่อพื้นขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจดาล36สสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปราวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัภยากฤิตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยย่อสาสิเจเหตุปัจใจมีเก้าวาระ อารมณปัจใจมีสามวาระละถึงวิปากะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปั จ, จัยมี9ก้าวาระย่อสหาชาตวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนปับปฏิจจวาระ 38. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปราวจรเป็นปัจใจแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปราวจรโดยเหตุปัจใจมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยย่อ39เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระ อธิปติปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อพึงขายายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะหนึ่งกุศลตึกะเก้าสิบห้าอรูปาวจารทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยสี่สิสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งเป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญักตซึ่งเป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับรูปาวัจระทุกะหนึ่งวุชลติกะเก้าสิหปริยาปันนธทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจัตุกนเหตุปัจจัย สีสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งนับเนื่องในวัตทุข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งนับเนื่องในวัตทุข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งนับเนื่องในวัตทุข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งนับเนื่องในวัตทุกขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับเนื่องในวัตทุข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต นับหนึเนื้อวัตถุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งนับหนเนื้อวัตถุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพญากฤิซึ่งนับหนึ่งเนื้อทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งนับหนึเนื้อวัตถุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพญากฤิซึ่งนับหนึ่งเนื้อทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่อ สีเหตุปัจใจมีเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาร ะ, ร ะ, จจาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจใจมีเก้าวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงสัมยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งนับนเนื่องในวัตะทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศล ึนับหนึ่งในวัตทุกโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งนับหนึ่งในวัตทุกเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งนับหนึ่งในวัตทุข์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งนับหนึ่งในวัตทุกเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งนับหนึ่งในวัตทุกโดยเหตุปัจจัยย่อสี่สิบสี่ เหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระธิฏฐิปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระย่อพึ่อขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติระอปริยาปัญญบทเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย45สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่รับเนื่งเนื้อวะตะัตถุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นขุนศนซึ่งไม่นับหนึ่งเนวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งไม่นับหนึ่งเหนวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่นับหนึ่งเนือวัตถุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมะณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตะวาระ และถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ46สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตทุกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตทุข์โดยเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤตซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์โดยเหตุุปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งไม่นับหนึ่งใ ah ah! นวัตทุกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตท really in ุกข์โดยอารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤตซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตทุกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์โดยอารมณ์ปัจจัย47เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณ์ปัจจัยมีสองวาระอัธพติปัจจัยมีสวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงอุปาณิเสยปัจจัยมีสี่วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อเพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะหนึ่งกุศลติกะเก้าสิบเจ็ดนิยานิกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยจตุกภายในสี่สิบแปด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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่เ <Xu> ป sure. <collapse and> ็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากเวททุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากเวททุกขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากเวททุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากเวททุกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิ ซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากววตาทุก์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อห0เขตุปปัจจัยมี9ก้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจัจมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาอย่างนี้ 1. อุสรติกะ 98. นิยตทุกะหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจยะเจตุกนัยห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตปั จ, จใจมีสองวาระยอ่อเพิ่งขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารอย่างนี้ 52. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งให้ผลไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่ยอเหตุปั จ, จใจมี9ก้าวาระอารมณะปั จ, จใจมีสามวาระละถึงอวิคตตปั จ, จใจมีเ้าวาระ ย่อพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารอย่างนี้หนึ่งกุศลตะกะเก้าสบ้าสอุตรทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยห้าสิบสามสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่า อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัภยากฤิซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อห4เหตุปัจจั ย, ย, ปปจจยมีห้าวาระอาระมณปัจจัยมีสามวาระ และถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาร ะ, ย, าาร ะ, ะย่อสหจาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยย่อห้าสิหกเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมาณปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคัตตปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่ออนุตตรบทเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากริจซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอาริมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสองวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงสัมยุตตาวาระเหมือนขับปฏิจจวาระห้าสิบแปด สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า โดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโดยอรมณ์ปัจจัยยอ่อห้าเก้หตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระมธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อ เพิ่ขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในขุศละเตกะ